เด็กเล็กๆนะ่กนะ็ฟังธรรมะไม่เข้าใจนะธรรมะของพระพุทธเจ้านะ่ะต้องใช้สติต้องใช้ปัญญาเด็กเล็ก ๆ, ๆนะ่กนะ็ยังฟังยากนะถ้าสักเจ็ดขวบแปดขวบอะไรขึ้นไปนี่ก็อพอได้อย่างเด็กที่ไปเรียนที่วัดหลวงพอ่อนะ9้าวขวบโอมันถามธรรมะน่าฟังนะถามจนผู้ใหญ่กลัวเลย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 ถ้าเราแต่งชุดพระอย่างนี้ชุดอย่างนี้เรียกว่าเป็นชุดที่ของสมมุติสงฆ์ถ้าใจเราเข้าถึงธรรมะก็จะเป็นพระสงฆ์ตัวจริงพระพุทธเจ้าท่านบ่าวพิธีที่เราจะปฏิบัติพัฒนาจิตใ จ, จตนเองจนเราเป็นพระสงฆ์เป็นพระสงฆ์ต่อเมื่อเรารู้แจ้งในพระธรรมซึ่งพระพุทธเจ้าถ่ายทอดไว้ให้เพ้นชาวพุทธไม่ได้เชื่อแบบเลื่อนลอยนะ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 เมื่อวานมานะใสปิ้งมาเลยจิตนี้ตื่นเต็มที่มาเลยนะแล้วท่านก็มาสรารภาพกับหลวงพ่อว่ามันง่ายจริงๆแนละ้วท่านอาจารย์ง่ายอย่างที่ท่านอาจารย์บอกนะนะไม่ได้ทําอะไรนะไม่ได้ทําอะไรนะวันก่อนโน้นวันพุธก่อนไปเทศที่โรงเรียนของอาจารย์ซุปอานะจารย์สุปเคนะทําไมต้องมีเคก็รู้นะอาจารย์ซุปเคก็กตื่นขึ้นมาใจแกก็ตื่น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 เนี่ยอันที่หนึ่งนะศัตรูหมายเลขหนึ่งเลยคือใจลอยหรือเหม่อเหม่อไปไม่สามารถรู้กายรู้ใจได้เพราะฉะนั้นจะไม่สามารถทำวิปัสสนาได้เพราะวิปัสสนานะีต้องเห็นไตรลักษณ์ของกายของใจนี่แค่กายแค่ใจยังไม่เห็นเลยอย่าไปพูดถึงว่าจะเห็นไตรลักษณ์เลยถ้าเหม่อเมื่ อ, อไหร่เนี่ยนะไม่เห็นกายเห็นใจนะยิ่งไม่มีทางเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของกายของใจได้เลย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 เข้าสมาธิอยู่จิตใจมีความสุขอยู่ทั้งวันทั้งคืนเนี่ยจิตใจไปเพ่งอยู่นะงั้นถ้าเรายังเพ่งอยู่เนี่ยเราจะไม่เห็นไตรลักษณ์แล้วยังจะรู้สึกว่าบังคับได้กนะาย น, นี้ก็บังคับได้ใจนี้ก็บังคับได้บางคนกินยาพิษเข้าไปไม่ตายนะบังคับได้รู้สึกกู Może เก่งกูเก่งแทนที่จะเห็นว่าตัวกูไม่มีกลายเป็นว่าตัวกูเก่งขึ้นมางั้นถ้าเราไปเอาแต่เพ่งนะเราจะไม่เห็นไตรลักษณ์จไว้นะถ้าเราเผลอไปเราจะไม่รู้กายรู้ใจ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 เราตามดูมันเล่นๆไปด้วยเราไม่ไปบังคับให้เ้านิ่งหรอกอาเชิญคนต่อไปนมาสการ์ขลวงพ่อตื่นเต้นคะ่ะ เ, เมื่อกี้นะั่งอยู่ตื่นเต้นแล้ว<ห>ทํายังไงตื่นเต้นก็รู้คะ่ะไม่รู้สิตื่นเต้นแล้วเพ่งออแล้วไงออแบ่งดูการปฏิบัติเป็นช่วง6เดือนแรกกับหกเดือนหลังนะคะหเดือนหลังนี่ใจมันไม่ค่อยยอมกับมารู้กายรู้ใจเท่าไหรไ่นั่นแหล ะ, ละมันจะน้อมไปว่างๆนะ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 เห็นจิตมันทํางานอยู่ที่กลาง อ, อกใช่ไหมไหว ย, ยับยับยิบยบัก็ปลุงขึ้นมาตรงนี้แหละโลภโกรธหลงความสุขความทุกข์อะไรก็ผุดขึ้นมาจากกลาง อ, อกนี่แหละอาจานย์มหาบัวก็เคยพูดบอกว่าทำแท้เกิดขึ้นกลาง อ, อกนะนั้นกุศลอกุศลเกิดที่กลาง อ, อกนี่คอยดูอยู่เรื่อยแล้วนึกว่าเจ๋งนะนึกว่าต้องดูตรงนี้แหละถึงจะบรรลุพระอรหันต์ไปถามหลวงปู่ดูลลงปูงป่ครับจิตอยู่ที่ไหน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 บบการธรรมสักการ์หลวงพ่อคือว่าคราวที่แล้วอะค่ะท่านก็ให้การบ้านไปภาวนาพุโทโธอะค่ ะ, คะก็ก็รู้สึกว่าใจสงบเดียค่ะใจมันอะไรนะสงบใจสงบ<ด>แล้วพอใจไหมสงบแล้วพอใจไหมถ้าสงบแล้วพอใจให้รู้ว่าพอใจนะนี่เราพัฒนาต่อไปการที่เราพุโทโธพุธโทโธนั้นเป็นสมถากรรมฐาน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 เนี่ยคอยดูสภาวะทั้งหลายมันจะเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆอย่างตอนนี้ใจฟุ้งซ่านดูออกไหมจิตมั น, นีพิคิดแนละ้วนะซึมไปนะอย่าให้ซึมขนาดนี้ให้มันกระปรี่กับเปล่าวกว่านี้หน่อยนะค่ะแล้วก็เวลาไปโรงเรียนนะคะรู้สึกว่าแบบเผลอนานนะคะแบบไม่ค่อยได้เราต้อง<ท>ซ้อมนะทุกวันนะกลับมาบ้านนะทุกวันเราลองพุโทโธรไปเรื่อยๆพุทโธแล้วก็รู้ทันใจ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 แล้วก็ฟังซีดีขงพ่อบ้างอันนี้เป็นครั้งแรกที่ได้มาฟังยิ่เมื่อตอนอช่วงปีใหม่คือไม่ไม่ได้ปฏิบัติอะไรเจ้าคะ่ะแต่ว่าก่อนที่จะล้มตัวลงนอนเนี้ยมันเกิดควานะรู้สึกที่จะล้มตัวลงนอนแล้วกเกิดความรู้สึกเป็นเห็นชัดเจนว่ามีเกิดดับอยู่ที่กลางหลังเจ้าคะ่ะอกลางหลังก็รู้สึกสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นพ่อไม่ทราบนะฮะแล้วก็นอนไปโดยที่กําหนดรู้แล้วก็หลับได้สบายมาก<อ>คือหลับเร็วเลยนะเจ้าคะ่ะ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 จำชื่อไม่ได้นะงั้นพระธาตุพระเทิดลยนะระลึกถึงมีจิตใจเลื่อมใสศรัท ธ, ธาคิดถึงพระพุทธเจ้าได้บุญทั้งนั้นแหลนะไปเก็บก้อนกรวดมาสักก้อนหนึ่งแล้วเราก็นึกนะก็ได้บุญเหมือนกันแหละแต่ไม่ได้ให้ลบหลู่นะพระธาตุประเภทลอยไปลอยมาปาฏิหารได้ก็มีนะ <c oughs> ถามใจเรื่องพระธาตุเหรออา ก, การนมัสการหลวงพ่อเจ้าคะ่ะ วันนี้ลูกดีใจมากะค่ะที่ดีใจให้รู้ว่าดีใจน ะ, ะที่มีโอกาสได้มากับหลวงพ่อค่ะแล้วก็คือที่ปฏิบัติอยู่นี่ก็ใช้วิธีฟังซีดีะค่ะเพราะว่าไปหาหลวงพ่อที่วัดยากะคะ่ะแล้วก็ตอนฟังอยู่ที่บ้านก็ฟังจริงๆฟังทุกที่ะค่ะฟังมาสองปีแล้วะะจิตน่าใช้ได้นะจิตมันเริ่มตื่นแล้ว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 ว่าทำให้หนูรู้ว่าหนูทําผิดมาตลอดทําผิดมาเยอะมากๆแล้วก็ได้เข้าใจขึ้นนะคะก็ไม่มีอะไรจะถวายนอกจากจะภาวนาถวายเป็นอาจารย์ยมูค่ะสาธุาน ะ, ะสาธุชอบที่สุดเลยถวายการปฏิบัติเนี่ยบางคนชอบถวายอย่างอื่นถวายการปฏิบัตินีชอบที่สุดเลยนะฟังแล้วสดชื่นหนูจับฉลากได้เดือนห้าจะไปอยู่ที่วัดท่านนะค ะ, ะจับเก่งนะได้ปีนี้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 เราจะหลอกซะหน่อยไม่ได้ผลรู้สึกไปนะใจยังยงไม้เป็นกลางยังกดมันอยู่เจ้าค่ะแล้วรู้สึกว่าถ้าสมมติเราหายใจเข้าลึกๆอะค่ะเราจะรู้สึกได้ได้ดีขึ้นนะคะอันนั้นมันเป็นการเปลี่ยนภาษะกระตุ้นมีภาษาใหม่ๆขึ้นมาภาษาที่แรงๆขึ้นมานันมันกระตุ้นความรู้สึกตัวให้ชัดเจนขึ้นได้เวลาโมหะครอบอะเราก็หายใจแรงๆแต่หายใจสักที2ทีน ะ, ะไม่ใช่แรงตลอดเวลาเดี๋ยวช็อกไป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 ทุบเลยพ่อบอกแล้วไงไปดูนางอิจฉาเรื่อยๆนะ <c oughs> ดูด้วยใจที่เป็นกลางอย่าไปเกลียดเขานะ <c oughs> เขากำ <c oughs> ลังสอน <c oughs> ธ ร, รรมะเราขอบคุณค่ะอ้าวาต่อไปนมัสการหลวงพ่อค่ะออได้ฟังซีดีแล้วก็อ่านหนังสือแล้วก็เริ่มปฏิบัติมาประมาณ4เดือนนะคะด้วยการดูใจแล้วก็ดูกายสลับกันไปมาไม่ทราบว่าอันนี้ได้ทอันนี้ถูกตบจริตของโยมหรือเปล่าคะของของโยมต้องรู้สึกร่างกายบ่อยๆนะ พยายามร่างกายกระดุกกระดิกกระดุ ก, กดิกคอยรู้สึกถ้าถ้าดูใจอย่างเดียวเดี๋ยวจะนิ่งเกินไปของยมยังยังชำนาญที่จะเพ่งให้นิ่งรู้สึกไหมเราชอบเพ่งชอบเพ่งและชอบอ่านค่ะนะชอบอ่านใจก็ฟุง้งซ่านนะชอบเพ่งไว้ก็ไปบังคับให้นิ่งอ่านได้นะอ่านแล้วอ่านหรือเปล่า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 เราไม่ต้อง ไ, ไม่ต้องนั่งใจให้นิ่งนั่งดูใจไปเลยน ะ, อะของคุณจะไปทำให้มันจิตนิ่งมันไม่ยอมนิ่งเพราะฉะนั้นจิตฟุ้งซ่านให้รูวร้ว่าฟุ้งซ่านน ะ, ะต่อไปมีไหมหมดหรือยังนัมรรการท่านอาจารย์ครับผมขอทานภัยด้วยครับตอนที่ท่านสอนว่าให้ดูจิตให้ดูกายเวลาขับรถเลยนะ ผมเวลาขับรถผมสึกผมต้องใจสมาธิมากกลัวจะเผลอไปชนใครเข้าถ้าสมาคนท่านบ้าคงจะเกิดอันตรายอย่าอย่าน้อมเข้าหาความสงบนะเวลาขับรถนะ่ะตาหูอะไรได้ต้องว่องไวไว้อย่าน้อมทําสมถะตอนนั้นถ้าทําตอนนั้นเดี๋ยวรถชนเรา <c oughs> นะจิตมันรวมอะหลวงพ่อมีลูกศิษย์คนหนึ่งนะวันนี้ไม่รู้มาหรือเปล่าถ้ามาก็ช่วยไม่ได้เราจะนินทานะ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 อิจิตังปฏิตังทุมหังขิปะเมวาสมิฉตุสัพเพปูเรนตูสังกป่าจันโทฟันนารโสยัทามณีโชติระโสยัถาสพีติโยวิวัตชันตูสัพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีตีคาโยโกภวะอภิวาฒนาศีริสนิจังอุททาปจายโนจัตตาโรธรรมาวัฒนตีอายุวันโนสุขังพระลัง